นั่นมันจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่ง นะดูว่าช่างไม้ช่างกลึงเค้าก็ทํากลึงเลื่อยไม้ทํางานไม้ๆทําซ้ําๆ เป็นประสนาที่ยิ่งทํายิ่งมียิ่งทํายิ่งเกิดยิ่งทําๆย้ําๆนั่นเองนะฟังธรรมะๆเนี่ยจะมีความแจ่ม จะเป็นผู้ที่เรียกว่าน้ำมันมาใช้ได้ทันทีเพราะๆย้ําๆกันอยู่นั่นๆย้ําๆเนี่ยถึงจะดีท่านเอาข้างขาข้างนี้ อ่ะทำทีละครั้งเท่านั้น 2 ก็ทำ 1 ก้าวที่ 3 ก็ทำ 1 ก้าวที่ 4 ก็ทำ 1 ทำไปทำไปเอ้ามันมันไปถึงจุดหมายทำ 1 ตัดตัด 1 กิโลเมตรตัด 1 กิโลเมตรแล้วมันก็ไป นะมารู้เหล่าหมายใจไปอย่างนี้นะรู้จะไปถึงใน เรื่องใดๆนะเค้าก็ใช้อินทรีนี้แทนอย่างเช่น จะเอาตานี่ไปดูอาหารไปดูว่าเอ๊ะมันหวานมัน เนื่องว่าเราเอาหูเราเอามือเราเนี่ยไปสัมผัสดูลําโพงแค่มันเสียงค่อยแต่เราจะไม่รู้ว่าเสียงไหนเนี่ยเรารู้ไม่ได้เลยนอก บาง 5 อย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายก็คืออินทรีย์ลักษณะที่ว่าเป็นช่องทางที่ให้สิ่งต่างๆภายนอกเนี่ยเข้ามาอย 5 อย่างนั่นคือศรัทธาสติ ศรัทธา 5 อย่างนี้นี้ในชมเป็นตัวบอกว่าใจเราเนี่ยมีความเป็นใหญ่มีความแข็งแกร่งมี 5 ตรงนี้นั่น เร็วหรือบรรลุช้า 5 ตัวนี้ 5 ตัวนี้ก็อยู่ที่ว่าจะต้องทํา นะประชาชิงพูดถึงสติเนี่ยจะเป็นตัวที่จะคอยปรับในอินทรียทั้งหลายนะศรัทธากับปัญญาเนี่ยต้องคอยปรับกันนะ ดูตรงนี้นะปรับความสมดุลนะของชื่อ 5 เรามาลองดูรายละเอียดในในแต่ละนึงนิยงศรัทธาเนี่ยแปลว่าความมั่นใจแต่ความมั่นใจเนี่ยอะไรนะไม่ใช่มั่นใจในเป็นความ แน่เชื่อความเชื่อความมั่นใจการตรัสรู้ของพระตถาคตนี่คือเรื่องของความ energy ก็มีหรือ effort effort การที่เราพยายามเนี่ยใส่กําลังเข้าไปแต่ energy เนี่ยหมายถึงการที่เราจะต้อง กล้าที่เจ้าความดีใสเข้าไปในจิตณความไหนที่มันยังได้เพราะฉะนั้นสัมมา นับประคนไหนที่มีสติคือความระลึกได้เนี่ยระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดล้าแม่นานได้ในที่ ร่างกายมันเหี่ยวย่นไปปวดนั่นนี่บ้าง สมาสมาธิคืออะไรสมาธิ 1 นั่นจิตที่เป็น 1 เนี่ยจะต้องมีสิ่งแวดล้อมด้วยนะ 1 อยู่นั้นจิตที่ 1 อันนั้นเนี่ย 1 นั่นเองและ 7 อย่าง นะถ้าเราทํามาโดยใช้สัมมวายามะสัมมาสติเหลือเจ็ดอย่างนี้ พอมีสมาธิๆมันเป็นยังไงนั่นก็คือปัญญานั่นเองปัญญาการเห็นตามๆแล้วเนี่ยมันมีความไม่เที่ยงความเปลี่ยน ปรับรถน่ะให้มันดีขึ้นแล้วก็ 5 นี้เราก็ 6 ด้วยนั่นคือตา 5 อย่างเนี่ยจะเป็นผ่าน อย่างเช่นว่ารูปนี้มากระทบตาอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันจะใช้อย 5 นั่นคือ ถ้ามันอย่างนั้นเนี่ยอินทรีย์ 6 เนี่ยเช่นเสียงเป็นต้นหรือรสอาหารก็ได้อาหารจานมามาจะดึงใจของเราไปไปไหนไปบุญยบุญยําตามมันต้องการนะมัน เราจึงต้องมีสติรักษาจิตก็ 1 ในเรา 4 5 นั่นเองในศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพราะจิตเรามีการรักษาอย่างนี้แล้วหรือได้ก็ 5 อย่างนี้เป็นตัวปัจจัย มีมีปัญญาด้วยด้วยมีปัญญาด้วยสติเนี่ยจะพาแล่นไปสู่วิมุตติได้เร็วขึ้นเวลาๆทยอยทําไปนะฟังเดี๋ยวค่อยๆทํา เราแค่ปรับจิตของเราให้มารู้เนี่ยเราเพิ่มขึ้นได้ในวันนี้เราพัฒนาจิตของเราให้มีอินทรีย์ทั้งเรอยเรเร 5 อย่างนี้ซึ่งจะ C'est